อาการของเวทนาปรากฏในปัญญาของพระโยคีผู้ไปพิจารณาไปใคร่ครวนอันนี้ขับเน้นว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิญาณะไปเจาะทะลุทะลวงเห็นอาการของเวทนาถ้าผลของเวทนาปรากฏแปลว่าเวทนานั้นทากิจสมบูรณ์แล้วผลของเขาถึงสาเร็จอันนั้นไม่ได้เกี่ยวจะญาณปัญญาไปรู้ก็ได้ไม่ไปรู้ก็ได้ แต่ไม่ได้ขับเน้นไปตัวที่ญาณปัญญาของท่านผู้กําลังใคร่ควรไปรู้แต่เวทนาเมื่อเขาเกิดขึ้นมาเขาทํากิจจะเขาทํากิจของเขาเออบริบูรณ์แล้วผลก็เลยปรากฏขึ้นมาจากการทํากิจของเวทนานั้นๆพอจะมองเห็นไหยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่างานบางอย่างเมื่อทําเสร็จแล้วผลของงานมันก็มันก็ปรากฏแล้วไม่เกี่ยวกับเราจะเข้าไปรู้หรือไม่เข้าไปรู้อย่างนั้นก็เรียกผลปรากฏเพราะการทํากิจที่บริบูรณ์แล้ว แต่ถ้าหากว่าอาการปรากฏเนี่แปลว่าเมื่อเราไปไข้ควรไปพิจารณามันปรากฏในใจเราว่าเออสมบูรณ์จริงๆ ง, งานนี้เสร็จแล้วมีผลเกิดขึ้นมาแล้วนี่เขาเรียกว่าอาการปรากฏในยานปัญญาของผู้ไปไข้ควรผู้พิจไปพิจารณาต่างกันไหมล่ะผลปรากฏกับอาการปรากฏผลปรากฏเนี่ยบางทีแล้วใช่มันมีมันมีผลปรากฏอยู่แล้วผลปรากฏมันมีเขาอยู่แล้วในสภาวธรรมทั้งหลายในวันหนึ่งหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่หรอเท่าไหร่ กระแสความคิดของสัตว์ทั้งหลายในการกระทาของสัตว์ทั้งหลายรูปธรรมแลนามธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีทั้งลักษณะมันมีทั้งกิจจะและและก็มีความสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างตามสภาพวธรรมนั้นๆ่นอยู่แล้วผลปรากฏก็มีอยู่แล้วเหตุใกล้ก็มีอยู่แล้วแต่มันจะปรากฏในสัมมาทิฐิญาณะของยานบุคคลที่เข้าไปรู้หรือไม่ตรงเนี้เขาบอกว่าการที่จะไปรู้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ต้องเห็นอาการปรากฏของ ปัจจุปฐานนะของสาภาวะธรรมนั้นนั้นใช่ไหมเออดยาก่อนย่าก่อนทนฟังปะเนี่เขาเรียกว่าอาการปรากฏในปัญญาเาะนั้นสาภาวะรูปนามนั้นนั้นเป็นอารมณ์ของญาณตามความเป็นจริงเพราะมีจริงปรากฏอยู่โดยประมัติชื่อว่าอุ ป, ปัฏฐานะอาการปรากฏแล้วก็ผลในปัจจุปฐานนะก็มีสองอย่าง คือท่านใช้คําบาลีหน่อยก็คือคําว่าอุปปัฏฐานาการะปจุปถานนถ้าพูดเป็นไทยเขาเรียกยังไงดีอุปปัฏฐานาการะปจุปฐานอุปัฏฐานาการปัจจุปฐานกับผลปัจจุปฐานในปัจจุปฐานสองอย่างนั้นอุปปัฏฐานาการะปจจุปถานก็คืออาการปรากฏต่อปัญญาของผู้ปฏิบัติเพราะปัญญานั้นอ่ะควรรับเอาในเวลาพิจารณาปรมัตธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง นั้นปัญญาที่สามารถไปไข้ควรไปพิจารณาสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าอาการปรากฏเกิดขึ้นแล้วเราสังเกตดูที่ว่าเวลาเวทนาเกิดขึ้นเวลาสัญญาเกิดขึ้นเวลากลุ่มภาษาเป็นต้นเกิดขึ้นเวลาสภาพจิตเกิดขึ้นถามว่าอาการปรากฏของสิ่งเหล่านี้เคยกดเคยปรากฏในญาณปัญญาของเราบ้างไหม ถ้ายังไม่เคยนี่ก็เรียกว่ายังไม่ได้เคยใค่ายควรจะไม่ยมวัดเป็นอย่างนี้ส่วนผลปรากฏของเขาเขามีอยู่แล้วไหมอายกตัวอย่างเช่นถีน้ำมิธาเนี่ยเขามีลักษณะของเขาไหมมีใช่ไหมลักษณะของเขาเขามีลักษณะของเขาอยู่แล้วกิจของถีน้ำมิทาก็มีอยู่มีไหมกิจของถีน้ำมิทาก็มี ผลปรากฏของทีน้มิท้ามีไหมก็มีไม่ใช่ไม่มีหรอกแล้วก็เหตุใกล้ของถีนมิท้ามีไหมเอามีหมดเลยเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันมีของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยเอามาใ ค, คร่ควญเลยใช่ไหมาเกิดกับเราทุกวันเกิดบ่อยมากอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย เวลาเราเรียนสภาวธรรมต่างๆเหล่านี้ยยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าลักษณะเนี่ยถีนางอนุสาหะลักขนางคือถีหน้าในความเสื่องซึมท้อถอยแห่งจิตเนี่ยนะมันซึมด้วยแล้วจิตนั้นก็ท้อถอยด้วยเนะีนะ่ยนคือเรียนถีนามิทะในขณะที่เกิดถีนามิทะอย่างนั้นก็เลือกเอาถีน้ามิทะไปรู้ ไปเ ร, เรียนรู้ตีทำไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องใช้ยานปัญญาไม่ดูยกตัวอย่างเช่นว่าลักษณะคือความไม่มีความพยายามถามว่าจิตเนี่ยท้อถอยตอนนั้นจะไม่มีความพยายามเกิดขึ้นเลยในกระแสจิตของของพานผู้นั้นคือจะไม่มีความพยายามเกิดขึ้นมาเลยตอนนั้นจิตทดถอยมากเสื่องซึมมากถอยกรูดกรูดลงมาเลยคือยอมหมดเน่มันยอมหมดแล้ว คือมันซึมไปซึมไปแล้วก็มันไม่ใช่นามาธรรมยอมอย่างเดียวนะพอสภาพของนามาธรรมทั้งหลายแท้จริงถ้าพูดถีนะักกมิท h a ต้องควบคู่กันเนี่ยนะอีกอันหนึ่งก็คือทําให้เจดสิกเสื่อมซึมท้อถอยอีกอันหนึ่งก็คือทำให้จิตเสื่อมซึมท้อถอยพอลักษณะของมิ tha เสื่อมซึมท้อถอยของเจดสิกเนี่ยความไม่ควรในการงานนั้นๆของเจดสิกกับความความไม่พยายามของจิตพอพอจิตไม่พยายาม ไอเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตนั้นก็เลยไม่ไม่ควรในการงานเลยเช่นภาษาก็ไม่ควรกระทบอารมณ์แล้วเวทนาก็ไม่ทำจิตในการที่จะสวยลดของอารมณ์แล้วคือมันมันหลังกันหมดเลยอะ่ะเพราะจิตเป็นใหญ่ถอยซะแล้วใช่ไหมจิตไม่พยายามซะแล้วเนี่ยเจตสิกที่เกิดร่วมก็ถอยหมดเลยไม่ควรต่อการงานหมดเลยการงานนั้นเป็นกุศลต่างๆนี่ไม่ควรแล้วไม่ควรลว เวทนาก็ไม่ควรก่อการเสรวยรสของอารมณ์ที่เป็นกุศลภาษาก็ไม่ควรก่อการกระทบอารมณ์ที่ที่เป็นกุศลสัญญาก็ไม่ควรต่อการงานในการจําอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเงี้ยเจตนาก็ไม่ควรต่อการงานในการที่กระตุ้นเตือนชักนําสมยุทธธรรมแล้วมันจะหดหมดเลยเงนะมันไม่ควรต่อการงานหมดเลยนี่คือลักษณะของจิตและเจสิกที่มันมีถีนาและมีทะอันนี้ทั้งๆ ท, ที่เกิดในกระแสใจของสัตว์ทั้งหลายตลอดแต่สัตว์ทั้งหลายก็ไม่เคยไข้ควรเลย ไม่เคยใช้ยานปัญญาไปพิจารณานิถีนากําลังเกิดขึ้นแล้วแก่เรามิทะกําลังเกิดขึ้นแล้วแก่เราสภาพถีนะทําทให้จิตไม่ไม่ท้อถอยไม่เสื่องซึมด้วยท้อถอยด้วยแล้วไม่มีความพยายามมิทะเจสิกก็คือลักณาก็คือไม่ควรต่อการงานเจสิกทุกดวงที่ประกอบมันไม่ควรเลยตอนนั้นเวลาถ้ า, ากุศลเกิดก็ฟุบฟุบหมดเลยแต่ไม่ควรต่อการงานที่เป็นกุศลและคือเดินก็หากุศลไม่ได้ซึมอยู่นั่นแหละ นะทอ้อถอยอยู่นั่นแหละเป็นบ่อยไหมเนี่ยลักษณะเนี้เป็นอย่างนี้นั้นคนมีปัญญาก็รู้โอยอย่างนี้ น, น, นี่เริ่มมาแล้วเราเห็นคนเดินมาไกลๆที่เราจําแม่นๆเราวิจัยจนชําำนว์เห็นไกลๆยังจำได้ใช่ไหมอันนี้ทีนามิทามามาเยี่ยมเราทุกวันเราไม่เคยเห็นหน้าตามันเลยเขาใจอย่างเนี้คื อ, ค, อคือการไม่ได้ใครควรสภาวะธรรมแล้วแลอย่างนี้แล้วจะไปลอกตะใคร้ให้จะไปลอกกับกีเลตเลย ใช่ไหมเรานี่เป็นนักรบของพระพุทธเจ้าศัตรูมายังไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะเขาขึ้นมาบนบ้านแล้วแล้วเ็ากดหมดแล้วกดนามาธรรแล้วลูปมะธรรมห ง, งีงอหมดแล้วอย่าว่าแต่นามาทํรไอ้รูปมะธรรมก็พลอยทั้งสารพัดและขาก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้ใช่ไหมมือทางหงีงอคอตัวเองยังํำไม่อยู่มันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ถ้าเราดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากิจจารักษาก็คือทำลายวิริยะกิจจารักษของไอ้ทีนัมิทเนะี่ยทำลายอย่างเดียวเขาทำลายวิริยะเลยไอ้ที่มีความเพียรอยู่หมดอย่าทำเลยไม่ไหวท้อการงานที่เป็นกุศลในการจะทานนกุศลศีลกุศลภาวนากุศลแล้วจบเลยไม่เอาแล้วมันทำลายวิริยะเขาเกิดมาเนะี่ย ยิ่งเกิดมากก็ทำลายเวริยะมากเกิดเท่าไรทำลายเท่านั้นกิตของเขามีหน้าที่ทำลายวิริยะทีนี้ถ้ากิจรัสาของมิธาเนี่ยปิดกั้นเลยปิดกั้นทวารกับวิญญาณปิดกั้นเลยปิดกั้นทวารกับวิญญาก็คือปิดกั้นกรณีที่ว่าไม่ให้ขึ้นสู่วิถีปิดกั้นไม่ให้วิถีท้งจากทางจากขูทวารและวิถีไม่ให้ขึ้นน่ะ แล้วก็ปิดกัน้นไม่ให้จักปัญจทวาละ ว, วัชนะจคุญยาเป็ต้นเกิดขึ้นมีหน้าที่ปิดกัน้นทั้งทวารตาก็ปิดทางทวารหัวก็ปิดทางทวารจ ม, มูกก็ปิดทวารลิ้นทวารกายแม้ทางมโนทวารและ ว, วิถีก็ปิดบอกกูลงผวังดีกว่านี่เป็นอย่างนี้แล้วก็อ้อนี่เราไม่เคยรู้ว่ามันทําหน้าที่ปิดฉะนั้นกรณีแห่งกรณีทีนามิธาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทีน้ามันมันทีน้าเป็นยังไง ทำลายวิริยะมิธะก็ปิดกั้นทวารทั้งหลายมันช่วยกันทำเนะยบอกหวัวหน้ามันบอกมันบอกจิตแบบเนี้ยมันบอกตัวถีนมิทธาบอกบอกถีนะมิธะคุณช่วยไปทําลายวิริยะหน่อยไอ้ความเพียรของจิตทั้งหลายส่วนเราจะไปปิดวิถีจิตไม่เกิดขึ้นทั้งทวารปิดกั้นวิญญาณด้วยปิดกั้นทวารด้วยให้อยู่ในผวังเท่านั้นนะ มันทํานองอย่างนั้นนั่นก็ใช่ไหมฟังฟังไปก็ซึมลงเลยโดนเล่นแล้วศัตรูเล่นแล้วเมื่อมันทําเสร็จขาระกิจมันสาเร็จพอกิจมันสําเร็จเนี่ยมันมีผลปรากฏเนี่ยอุปถานากาล่เนี่ยอาการท้อถอยในกิจนั้นๆหรือเหตุความท้อถอยแห่งธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนมีความท้อถอยเห็นปรากฏเลยสุดลงเลยเนี่ยท้อถอยลงเลยแล้วก็ทำธรรมหมที่เกิดพร้อมกับตนให้ท้อถอยด้วย ถ้าปัจจุภหาปัจจุบฐานะของของมิถาเนี่ยมีการท้อถอยจากการรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรับบ้างไม่รับบ้างแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วรับไม่ต่อเนื่องเลยขาดระหว่างไม่รับมากกว่ารับมันทําลายแล้วผลปรากฏเป็นอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าปัจจุปฐ า, านะการละก็คือว่าปรากฏในยานของปัญญาทั้งหลายอ่ะเวลาเกิดถี่นมิธาเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณได้นะ ไอ้ตัวนี้เขารู้ว่าอ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยปรากฏกัญญาปัญญาของโยคีผู้ปฏิบัติเขารู้ทันทีเหมือนท่านธัมะโมคะลานะท่านรู้เลยอ้นเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องแล้วถ้าอยู่ในียาบทเนี่ยเพราะลักษณะปรากฏในญาาปัญญาของท่านแล้วมันวิ่งโจมตีตลอดโจมตีตลอดท่านเลยเปลี่ยนียาบทเลยอ่ะถ้าไปอยู่ในียาบทนั้นยังโจมตีอีกโจมตีอีกท่านก็เปลี่ยนียบทอื่นอีกอันยังโจมตีอีกโจมตีอีกท่านวิธีจนได้ต้องเอาชนะให้ได้ไอ้เรานี่ ไม่ถึงสองท่าอยอมละอันนี้เขาเรียกว่าผิดเข้าใจไหมเพราะท่านรู้อาการปรากฏในปัญญายานของท่านนี่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะท่านเห็นว่าเป็นฆ่าศึกมุนมาตีอันนี้นี้กรณีอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกับปัญญาณปัญญานะที่ไปวิจัยได้ประการต่อมาก็คือว่าผลปัจจุบานก็คือสภาพที่ทําให้ผลก็คือความง่วงนอนตาปลือเกิดขึ้นถ้าหากว่าถีนะก็ผลของเขาคือสภาพที่ก่อทําที่เกิดพร้อมกับตัวนี้ท้อถอยเนาะ ปทัดฐานก็คืออายนิสมนัสการคือการใส่ใจโดยไม่ถี่ถ้วนโดยไม่พิจรารณาด้วยปัญญาฉะนั้นการไม่พิจารณาด้วยปัญญาในความไม่ยินดีความเบื่อนหน่ายในกุศลความดีการบิดกายการบิดขี้เกียจทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ <c oughs> คือไม่ได้ใส่ใจด้วยญาณปัญญาด้วยกุศลไม่ยินดีเ <c oughs> บื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายกุศลทุกชนิดไม่เอาแล้ว <c oughs> ถ้าถีน่เป็นอย่างนั้นประทัดฐานของมิถะก็คืออโยนิสมนัสการใส่ใจโดยไม่ถี่ท่วน โดยไม่พิจารณาด้วยปัญญาไม่ยินดีเบื่อหน่ายในกุศลความดีบิดกลายเหมือนกันลักษณะไม่ต่างกันนี่สองตัวอย่างเนี้ยนี่ยกตัวอย่างถ้าเรารู้ลักษณะเขาอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วเวลาเราศึกษาพระธรรมมันเกิดขึ้นก็นชัดแต่นี้ถ้าหากว่าในขณะที่ข้าศึกโจมตีเราอยู่มัวไปใส่ใจเรื่องอื่นได้ไหมตอนนั้นนไม่ได้ต้องแก้ไขก็เขาพยายามปิดไม่ให้วิถีจิตจะไม่ให้ทวารปิดวิถีจิตทางทวารนั้ น, น, นเกิดเงนี้ย แล้วต้องแก้ไขก็อ้ามันทำลายวิริยะอยู่ก็ให้วิริยะมาจัดการให้ญาณปัญญามาจัดการกับเสียก็แค่นั้นแหละใช่ไหม น, นี้เราไปปล่อยให้มันโจมตีตุ้มเติมเตมเจ้าตัวก็ยังไม่รู้เรื่องเลยไปปล่อยหโจมตีอยู่ได้อันนี้ก็ยุ่งแล้วแล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่หจะละได้ใช่ไหมไม่รู้จากหน้าตาก็เลยว่าก็เป็นบาปเข้ามานี่เห็นเป็นอย่างนี้ลาบากเลย อ้าถ้าถ้าอย่างนี้พอจะชัดเจนไหมชัดวันนี้พรุ่งนี้ไม่ชัดอีกลบาบากเี้ก็คือคืออย่างเนี้ยลักษณะของงั้นสภาวธรรมต่างๆก็ต้องก็ต้องเข้าใจที่จริงเรามาเรียนแบบเจาะจ่เจ่อๆๆเอาใช่ไหมมันก็เลยเอาตัวไหนที่พอจะเด่นเด่นหน่อยพออย่างเมื่ออามามองดูปุ๊บเนี่ยเออมันมันเกิดกับพวกเราบ่อยมากก็เอาตัวนี้มาให้ให้ฝึกวิจัยกันเล แต่ก่อ น, นมันคิดว่าเอ๊ะเวลาเขาเป็นนั่งนั่งบางคนมันนั่งหาวอว ด, ดวอนที่ไปเขาเป็นเพราะอะไรนี่มันคิดอย่างเงี้ยเนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเอ๊ะทำไมทาไมเขาเป็นอย่างนั้นอ๋อเขาไม่รู้ลักษณะเนี่ยเขาไม่เคยสังเกตว่าลักษณะของถีนมิทาเป็นอย่างนี้กิตของฐานะถีนมิทาเป็นอย่างนี้ผลปรากฏของถีนมิท้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เหตุไกล เหตุใกล้ของทีนะไม่ทัดเป็นอย่างนี้คือเขาเขาไม่เขาไม่เข้าใจทีนี้ก็คือจริงๆในวันนี้ก็เดี๋ยวเราดูลักษณะของปัญญาตรงนี้ก็คือเดี๋ยวดูลักษณะของคือจริงๆต้องการบอกลักษณะของปัญญาก่อนนะที่ต้องการอยากจะบอกลักษณะของปัญญาเนี่ยก็เพราะว่าจะได้ใช้ปัญญาในการเรียนให้ถูกสิ่งที่สําคัญก็คือตรงเนี้ โดยมากเนี่ยไม่ค่อยไปศึกษาสภาวะที่เรียกว่าปัญญากันเท่าไหรน่นีตรงนี้ก็คือว่าปัญญานเนี่ยนี่อธิบายตามความหมายกันนะในลักษณะของปัญญาท่านกล่าวไว้ในในคำสอนท่า น, นกล่าวอย่างนี้ท่านกล่าวบอกว่าปัญญาก็แปลว่ารู้ความรู้รู้ทั่วรู้ชัดนี่นะ สภาวะที่ชื่อว่าปัญญาเพราะมีความหมายว่าเป็นความรู้ทั่วไปโดยประการต่างๆยถาสภาวะปฏิเวทะลักนาปัญญานี่คือลักษณะของปัญญาอย่างหนึ่งนะก็คืออัคคลิตะปฏิเวทะลักนาวากุสริสกุสริตกุสริสสาสะขิตตะอุสุปฏิเวทโทยะลักษณะของปัญญานี่เนีคือพยายามจะบอก ลักษณะของปัญญาค่อนข้างมีหลายอย่างนี่นีเออมีอย่างแรกก็คือลักษณะก็คือสภาพธรรมที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะและรู้แจ้งสามัญลักษณะตามความเป็นจริงของปรมัตถธรรมันตัวปัญญาเนี่ยรู้สองส่วนรู้สภาวะลักษณะกับรู้สามัญลักษณะของสภาวาะธรรมทั้งหมดนี่เรื่องยาวเลยถ้าวิจัยอย่างนี้นะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราวิจัยลักษณะของถีนะ กับมิทะอย่างนี้นะหรือลักษณะของรูปารมณ์เนี่ยการที่เข้าไปรู้ลักษณะลักษณะปัญญาฐานพัฒฐานของสภาพธรรมเหล่านี้หรือสภาวะธรรมเหล่านี้นั่นคือปรรัญญาในปัญญาเข้าไปรู้แต่ปัญญาในส่วนเนี้ยของเราท่านทั้งหลายที่มันยังไม่เคยเดินก็เพราะเรายังไม่ได้มีการในการมาไข้ควรหรือมาฟั ง, ฟงพระธรรมใช่ไหมทีนี้สภาพปัญญาต่างๆที่จะเข้าไปรู้ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นได้แค่รู้ลักษณะเป็นต้นของสภาวะธรรมรู้กิจเป็นต้นของสภาวะธรรมเนี่ย ก็มาจากส่วนของที่เรากล่าวกันในเรื่องของปริปุจฉาสวนะและก็ปริยัติเนี่ยตอนนี้เราศึกษาคําสอนเราท่องจําเราเรียนคําสอนและในขณะเดียวกันตอนนี้เราฟังอัตถกถาอันเป็นอัฏฐะแล้วก็ฟังธรรมะของพระบาลีและพระปริยัติธรรมนั้นๆอยู่ก็คือเราฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป้าหมายก็เพื่อให้เกิดปัญญานี่แหละเกิดศรัทธาเกิดปัญญานี่ยแหละเป็นต้นเราเนี่ย ก็คือดังที่ได้กล่าวครั้งที่แล้วเคยคุยเรื่องเรื่องเรื่องศรัทธาค่อนข้างบ่อยใช่ไหมว่าสภาพที่เชื่อต่อสัตยยวัตถุเนี่ยแล้วก็อย่างแน่นอนด้วยว่าสภาพของพุทธคุณเป็นเช่นนี้ธรรมคุณเป็นเช่นนี้สังคคุณเป็นเช่นนี้ศรรีลสมาธิปัญญาเป็นเช่นนี้เป็นต้นถ้ากิจของเขาก็คือว่าทำธรรมะที่เกิดพร้อมกับกระตนให้ใสในสัตยยวถุที่ควรเชื่อ ดูดแก้วมณีไอตัวแก้วมณีเนี่ยเวลาเวลาจุ่มลงไปในน้ําแก้วมณีของพระเจ้าจักพัทก็ทําน้ําที่ขุนหรือจอกแหนเป็นต้นให้อันตรธานไปแล้วก็ทําให้ความใสปรากฏขึ้นในกระแสจิตเนี่ยนถ้าลักษณะนี้ก็บ่งบอกเลยว่าตอนเนี้ความใสเกิดขึ้นในใจอันนั้นคือสัจธินรีเกิดไอการที่ปัญญาจะเข้าไปรู้อย่างนี้เป็นต้นได้นั้นคือปัญญาเข้าไปรู้ สัมมาทิฏฐิญาณนะของพระโยคยีหรือของผู้ไข่ควรของผู้ปฏิบัติเนี่ยที่จะสักษสามารถเข้าไปรู้กระแสใจของตัวเองได้ตอนนี้กําลังมีผ่องใสและไม่ใช่จิตผ่องใสอย่างเดียวยังมีสภาพธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตนั้นพลอยผ่องใสไปด้วยเขาถึงบอกว่านอกจากจะผ่องใสแล้วเนี่ยนะจิตของเขาคือเด็ดเดียวตัวสัตทินรีย์ตัวศรัทธาก็เด็ดเดียวแล้วก็ทำสภาพธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนให้มีความเด็ดเดียวดุจทหารกล้า อันนี้เราก็เห็นกิจชัดอะไรเข้าไปรู้ยานปัญญานี่แหละที่เข้าไปรู้ลักษณะลุกิตต่างๆของสภาวธรรมเหล่านี้ฉนั้นปัญญาจะต้องรู้ลักษณะอย่างนี้จะต้องรู้กิตของสภาวธรรมเหล่านี้ถ้าหากไม่มียานปัญญาไปรู้เนี่ยเราจะเจริญสัจทินรียยังไงอาจจะเจริญยังไงเนี่ยก็เจริญไม่ได้ใช่ไหมมันก็เจริญไม่ได้ฉะนั้นการเจริญสัจทินรียเป็นต้นได้นั้นต้องอาศัยปัญญาเนี่ยแหละเป็นตัวไข่ครวนเนี่ยนะ น, นี่เป็นอย่างนี้นะทศฏฐาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นเลยเห็นว่าอ๋อปัญญาลักษณะแรกของท่านของ ข, ของปัญญาคือว่าสภาพธรรมที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะตามความเป็นจริงเนี่ยรู้สภาวะลักษณะตามความเป็นจริงก็คือรู้ลักษณะของศรัทธาตามความเป็นจริงรู้กิจของศรัทธาตามความเป็นจริงถ้ากิจของศรัทธาเนี่ยเราดูแล้วอ๋อมีสองส่วนนี่ส่วนแรกก็คือทำธรรมะ ท, ที่เกิดพร้อมกลางตนให้ใส ในสัตย์ทยวทัตถุดุดแก้วมัีที่ทําน้ําไม่ใสอันนี้อะไรเข้าไปรู้ยานปัญญาเนี่ยสามารถเข้าไปรู้ศรัทธาถ้างั้นเราจะเจริญศรัทธาได้ยังไงใช่ไหมหรืออย่างหนึ่งว่าธรรมชาติของศรัทธานั้นต้องมีความเด็ดเดี่ยวตัวเขาเองเด็ดเดี่ยวแล้วทำธรรมะ ท, ที่เกิดพร้อมกันต้นนี้เด็ดเดี่ยวดูดท่าหนกล้าก็าบอกทหารกล้าที่เล่าไว้แล้วไงที่บอกทหารกล้าเนี่ยคนเก้ๆกลางๆกันอออยู่ริมฝั่งเนี่ยไม่กล้าเดินลงลุยน้ําไปเพราะมีเจระเข้เป็นต้น มีทหารกล้าคนนึงเดินไปก็ดึงดาบดึงอาวุธออกมาแล้วก็ห้ามหันเจระเเ้ทั้งหลายให้กระเจิงหนีไปแล้วกวากมือว่าท่านทั้งหลายตามเรามาเพือจะหนีภัยบอกว่าท่านขืนน่งอยู่ตรงเนี้ยมีภัยเงได้ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเป็นต้นเมื่อยานปัญญาก็สามารถโอ้อย่างนี้ลักษณะของสัตวตินสีเดินแล้วมีความเด็ดเดี่ยวมีความหานกล้าต่อคุณของพระรญตนาฏไทยแล้วแล้วมันเคยเกิดในใจเรามาอย่างเ น, งนี้ถ้าเกิดอย่างนี้เขาเรียกกล้า เด็ดเดี่ยวจริงๆใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาเข้าไปรู้หรือปัญญาเข้าไปรู้อีกอย่างหนึ่งว่าอุปฐานากาละความไม่ขุนมัวความผ่องใสของธรรมที่เกิดพร้อมกับตนในสัตย์เยวิถุที่ควรเชื่อคือสภาพของความผ่องใสเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ผลผลนั้นมาปรากฏในยานปัญญาในทิฏฐิยานะหรือสภาพที่ไม่ให้ผลก็คือว่าตัดสินใจเชื่อต่อวัตถุที่ควรเชื่อ แล้วก็ในสัตยยัถั่วเชื่อในคุณของพระเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระเดียส่์เชื่อในศีลขาตรงนี้ก็ลองไปวิจัยดูดิถ้าสภาพศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยมีไหมที่คนจะไม่รักษาศีลตัวกุศลศีลเนี่ยถ้าสัตทินศีเดินจริงๆแล้วไม่มีขณะไหนศีลขาดศีลดายที่สุดคอขาดกับศีลขาดเนี่ยเอาศีลไว้คอขาดไม่เป็นไรนี่เดียวๆไหม้งใช่สภาพสภาพศรัทธาเป็นอย่างนี้ เอาค่ะคอขาดก็กระจุยเลยเนี่ยไม่เป็นไรลองสังเกตดูที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นแบบนี้แหละท่านจะทรมานยังไงจับหัวห้อยลงเขียวลงหน้าผาท่านก็บอกไม่เป็นไรเอาทําไมท่านไม่สะทกสะทานทําไมท่านไม่กลัวเราไม่กลัวเพราะเราไม่ได้ทําชั่วเขาเชื่อมั่นในกุศลเลยแล้วเขาไม่เคยมองหินใครเป็ น, นศัตรูเลยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยเข้าหาได้หมด แล้วไปเพื่อจะไปช่วยเขาไม่ใช่ไปเพื่อจะไปย่ะเยะ้ยเขาเอาคนบางคนแข็งแรงเนี่ยไปแล้วไปย่ะเยะ้ยเขาเนี่ยเกี่ยวว่าเราไม่โกรธเราไปท้าหน่อยเอออย่างนี้คนเรื่องอันนี้ไม่ใช่ไปนั่นเพราะมีเหตุผลในการที่จะไปช่วยนี่เป็นอย่างนี้แต่ลักษณะของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมว่าคนมีศรัทธาในกุศลศรัทธาในพญายุติยานศรัทธาใ น, า ใ, นในการเป็นพระพุทธเจ้าเลยเกิดมาเพื่อจะอนุเคราะห์เพื่อจะช่วยเหลือดโดยแท้ เขาใช่ยังนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้อที่สภาพในใจเราเป็นแบบนี้ไหมล่ะสัจทินรียเป็นแบบนี้ไหมล่ ะ, ะถ้ายิ่งเห็นอุปสรรคเห็นปัญหาแล้วยิ้มเลยโอ้เราจะได้เจริญสัจทินรียแล้วเราเชื่อใช่ไหมว่าวิริยะจะเกิดก็ด้วยอาการอย่างนี้ขันติจะเกิดก็ด้วยอาการอย่างนี้บารมีธรรมทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายมันต้องการเพียรต้องการเจริญจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละ หวไหมเนี่ ย, ย, ยนี่คือพรสัตพระโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้เพราะท่านได้ท่า น, นได้อนุเคราะห์แนั้นลักษณะของปัญญาก็คือสภาพที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะประการต่อมาก็คือประทัดฐานไงประทัดฐานก็คือการครบเนี่ยนะการครบบัณฑิตผู้สา ม, มารถสั่งสอนสัจจะสี่โอ้เนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยทำให้เกิดสันตนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยจะวิจัยเป็น ปัญญาระดับที่ทํำยังไงเนาะจะทําให้ตัวเองมั่นคงในสัจทินเซียก็เริ่มจะเข้าหาบุคคลที่สามารถสอนอ ร, ริยสัจให้เข้าใจได้สักข้าหาพุทธเจ้าใช่ไหมเมื่ออ่านคําสอนพระเจ้าไม่เข้าใจก็หาคนช่วยขยายหน่อยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นฟังธรรมที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจคือทุกสมุ ท, ทัยนี้รดมาโยนิสงฆ์ในาการก็คือการพิจารณาด้วยอารมณ์ของปัญญาก็คือพิจารณาสังขารธรรมพิจารณาสังขารธรรมทั้งหมดทั้งรูปธรรมและนามธรรม ทั้งรักคณะที่เจตุกะนั้นปัญญาจะมีกิจอย่างเนี้ยจะต้องชอบวิจัยเมอปัญญาจะเข้าไปวิจัยเลยอ่าถ้าพูดถึงรูปธรรมก็รูปธรรมแต่ละอย่างมาวิจัยวิจัยวิจัยกิจของปัญญาจะทํากิจอย่างนี้ยไม่ใช่คนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคนนั้นว่าเราคนนั้นน้อยใจคนนั้นไม่ใช่เลยปัญญาไม่ไดินมากิจอย่างนั้นเลยปัญญากับวิจัยทะลุทะลวงในสภาวธรรมเหล่านี้แล้วจะค่อนข้างตื่นเต้นมากเมื่อเห็นสภาวธรรมเหล่านี้ปีติปราโมดเกิดมานันเป็นอย่างนี้นะ ยิ่งเข้าใจสภาวะธรรมต่างๆนี่ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นสภาพของปัญญาก็จะเจาะทะลุทะลวงใช่ไหมเหตุผลอวิชชาเป็นไปัจเกิดสังขารก็มาวิจัยอวิชชาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงนาำโลภยังไงก็จะวิจัยไปเรื่อยๆอย่างนี้ลักษณะรักษาประ จ, จุประทานประธาทาดูลักษณะของของรูปประธรรมที่อาคิดของเขาเป็นยังไงหน้าที่ของเขาเป็นยังไงผลปรากฏเป็นยังไงแล้วก็เหตุใกล้เหตุไกลก็วิจัยอยู่อย่างี้นะ พอชา้าจนชัดเจนไปเสร็จก็เลื่อนไปเอาส่วนอื่นมาวิจัยต่ออย เ, เรื่อยๆอย่างเงี้ยปัญญาจะทํากิจอย่างเงี้ยทํากิจจนชัดเจนหมดแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์งั้นการงานต่างๆเนี่ยวิจัยอยู่อย่างเงี้ยอาถ้าวิจัยรู้สึกว่าจะปัญญาจะทํากิจค่อนข้างล้าเบเสร็จก็หลบอยู่ในสมาธิก็ไปศึกษาสมาธิต่อเข้าใจยัง พอหลังจากมีความตั้งมั่นเบ็ดเสร็จก็ออกมาวิจัยต่อมีกิจสองกิจเงี้ยนะกิจในการเดินศีกขะสามเงี้ยเอะเห็นสถานการณ์ชักไม่ค่อยไหวแล้วก็หลบไม่ใช่หลบอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้คำว่าหลบในที่นี้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวไปเข้าใจผิดอีกนะก็คือท่านกลับเข้าคกำแพงของสมาธิไปใช่ไหมแต่นี่สมาธิเราก็ไม่มีจะเข้าตรงไหนจะเข้าไปพักกับพุทธคุณพุทธคุณก็เดินไม่ได้ ธรรมคุณธรรมคุณก็เดินไม่ได้สังคุณสังคุณก็เดินไม่ได้ศีลานุสติก็ไม่ได้ไม่มีที่พักเลยพวกเราเนี่ยไม่มีที่พักเนี่ยนั่งดัางกันอยู่เนี่ยหมดที่พักจะทางไงก็เลยฟุ้งกันต่อไปอย่างเงี้ยก็เลยไปไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยรุดน้าเลยใช่ไหมงั้นต่อไปก็ตั้งหลักใหม่พระก็เป็นใช่ไหมบ้าก็เป็นอย่ <c oughs> างงี้ก็เลยไม่มีที่พัก ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้สภาวะลักษณะเขาถึงบอกว่ารู้อะไรโยนิโสมนัสิการคือการใส่ใจพิจารณาด้วยปัญญาด้วยอารมณ์ด้วยปัญญาได้แก่พิจารณาสังขารธรรมด้วยปัญญาว่านี้รูปธรรมนิน า, นามธรรมว่านี้เหตุนี้ผลแล้วก็ใครควรอ น, นิจจธรรมทุกขธรรมอนัตธรรมและอสุภธรรมลักษณะอย่างนี้ แล้วก็ธรรมมานุธรร ม, มปฏิปติก็คือปฏิบัติธรรมสมควรต่อโลกุตระธรรมก็คือการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นก็คือสรณคมแล้วก็ศีลเป็นต้ น, ปนไปตามลำดับอย่างเงี้ยสรณคมสูงกว่าทานนะใช่ไหมอย่างเราเนี่ยมันจะต้องขยิบระดับสรณคมระดับศีลขึ้นมาได้แล้วไม่ใช่ไม่ให้ทานนะเมื่อมีศีลมีสรณคมแล้วไปให้ทานก็ทานก็มีผลมากอยู่แล้ว อันนี้มันขึ้นไม่ได้สักทีก็ติดแขกอยู่กับทานกันอยชาวพุทธเรานี่ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมันขึ้นสนานะไม่ได้สนานะก็เศร้าหมองสนานะก็ขาดเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยต้องระวังเลยใช่ไหมเราล้อขาดอย่างเดียวในขณะจุติก็ ค, ค่อยย่ชั่วอันนี้เราในจุติจิตเกิดยังไม่เกิดเลยนะให้ขาดเป็นระยะให้เศร้าหมองเป็นระยะที่เราแย่นนเนี้ยเนี้ยอันนี้ปัญญาเนี่ยไม่ไม่วิจัยอย่างเงี้ยถ้าไม่วิจัยที่ตอนนี้ศรัทธาเราแข็งแรงไหมใช่ไหม ถ้าศรัท ธ, ธาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงดูเหตุใกล้ของศรัท ธ, ธาอาตอนเนี้ยครบบัณฑิตไหมที่จะสอนอริยสัจผู้ได้เจ้าสาวกของผู้ไดเจ้าเป็นต้นครบไหมเอาเข้าไปครบไหมแล้วฟังทำที่เกี่ยวกับอริยสัจจนเข้าใจไหมประการที่สามก็โยนินโสมนัสสการพิจารณาด้วยปัญญาไหมไอ้ตรงนี้ไงปัญญามาทํากิตตรงนี้แหละ มาวิจัยว่าตอนนี้สัตทินรียไม่เดินจะทํำยังไงปัญญาต้องมาเกี่ยวข้องอย่างนี้สติไม่เกิดสมาธิหรือว่าวิริยะไม่เดินเนี่ยทํำยังไงปัญญาก็มาวิจัยหาช่องทางเอาเข้าเฝ้าพระเจ้าสาวกฟังพระธรรมเกิดไหมแบบเนี้เกิดพอฟังทำเบสเสร็จแล้วนี้แต่ น, นี้ก็ตั้งหลักแล้วตั้งหลักก็นในกรณีแห่งการที่ว่า ในกรณีที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรต่อโรกุตตรธรรมเป็นต้นเหล่านี้ยทีนี้ไอ้คำว่าปฏิบททัติธรรมตามสมควรต่อโรกุตรธรรมเนี่ยวังจ้างเนี่ยนะคอยพ้นทุกเถิดคอยพ้นทุกเถิดสารณ้ยังโดดขึ้นไม่ได้เลยทำไงแล้วเมื่อไหร่จะไปใช่ไหมต้องโดดขึ้นสารณคมระดับศีลใช่ไหมพระเขาต้องขึ้นไปอย่างเนี้สารณคมได้ศีลอย่างนี้เป็นต้นไปตามลําดับ นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้เนาะทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของปัญญาถ้าบอกว่าลักษณะของปัญญาถ้าดูในชั้นของคำพีวิสุทธิมัร์เลยนะลักษณะก็คือสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความจริงรู้แจ้งอารมณ์ตามความจริงถามบอกว่ากรณีาการรู้แจ้งตามอารมณ์ตามความจริงเนี่ยโดยมากก็คือว่า เราเห็นรูปารมส์ัทธารมธารมรลสา ร, ม, นะา ร, ม, ร ม, มเนี่ยนะโพธิารมณและธรรมารมเนี่ยโดยมากก็ไม่รู้แจ้ง เ, เป็นไม่เป็นอย่างเงี้ยพอดูป้อปกาไปก็ดอกไม้เงี้ยมันไปแล้วใช่ไหมความจริงคือสีหรือวันนะต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามันไปเรื่องโดยเรื่องเออมันไปปิดซะอย่างนั้นแหละโมหะมันเดินทับซะอีก คือเวลาศึกษาปัญญาเนี่ยต้องเทียบกันอะไ ร, รู้ไหมถึงจะชัดมันจะเห็นเลยว่าสภาพที่ตรงกันข้ามกับกับปัญญาก็คือโมหะคือโมหะก็คือความบอดใช่ไหมความบอดคือความไม่รู้ไม่เห็นตามตามความจริงแห่งจิตหรือสภาพที่จิตกล่าคือดวงปัญญามันบอดลักษณะนเนี้ย แต่ถ้าหากว่าปัญญาเนี่ยก็คือสภาพธรรมเนี่ยนะที่รู้แจ้งอารมณ์ตามตามตามความจริงก็คือสามารถที่จะไปรู้ตามความจริงของอารมณ์นั่นเลยคือสามารถรู้ว่าอ๋อเนี่ยเรียกดอกไม้แต่สภาพจริงๆก็คืออะไรเนี่ยรู้อย่างเงี้นะสามารถเจาะทะลุทะลวงรู้แจ้งกว้างๆนี้ได้เลยชัดเลยปัญญาเนี่ยแต่ถ้าโมหะก็บอดเลยบอดเลย อะไรบอดความบอดคือความไม่รู้ไม่เห็นตามความจริงแห่งจิตหรือสภาพที่จิตดวงตาคือปัญญามันบอดใช่หไหมตรงข้ามเลยใช่ไหมรู้แจ้งกับบอดเนี่ยที่จริงศัพบเนี่ยคำมาจากคำว่าโมโหโจิตตัดสะ